จลิญพรท่านผู้มีจิตสัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้ <c oughs> เป็นวันเสาร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2553 <c oughs> เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาสร้าง ความสุขสร้างความเจริญให้แก่ตัวของท่านด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติ ธ, ธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินั้นเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ที่จะพัฒนาชีวิตของท่านตัวของท่านทั้งหลายให้ได้มีความสุขมากขึ้นมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่การปฏิบัตินี้พวกเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าอะไรคือตัวเราและอะไรไม่ใช่ตัวเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เป็นเพียงสิ่งที่ตัวเรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่เราเอาศัยเดินทางไปไหนมาไหนร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอาศัยเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปทำอะไรต่างๆได้ เรามาทำบุญวันนี้ได้ก็เพราะว่าเรามีร่างกายเราจึงมาที่วัดนี้ได้ถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถมาทำบุญที่วัดนี้ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราส่วนตัวเรานี้คือใจใจคือผู้รู้ผู้คิด ผู้ที่สั่งให้ร่างกายพูดสั่งร่างกายให้ทําอะไรต่างๆและรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายและความคิดต่างๆที่ใจคิดขึ้นมาเองนี่คือผู้รู้ผู้รู้นี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นคนละส่วนกันมาพบกันตอนที่มะมานดาตั้งครรภ์ ก่อตั้งร่างกายนี้ขึ้นมาแล้วก็ใจก็โคจรมาครอบครองเหมือนกับเราไปจองรถยนต์ที่โรงงานพอเขาเริ่มผลิตรถยนต์ขึ้นมาเราก็ไปจองว่าจะเอารถคันนี้แล้วเราก็รอให้เขาผลิตจนเสร็จเมื่อเขาผลิตเสร็จแล้วเราก็ขับรถคันนั้น เราก็ครอบครองรถคันนั้นเป็นของเราเราจะไปไหนมาไหนเราก็ใช้รถยนต์คันนี้พาเราไปในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลรถยนต์คันนี้คอยเติมน้ํามันคอยเปลี่ยนน้ามันเครื่องคอยบำรุงรักษาให้รถยนต์นี้ใช้การได้อย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างใดร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน พอเราได้ร่างกายนี้มาแล้วเราก็ต้องดูแลรักษาพอออกจากท้องแม่เราก็ต้องหายใจหายใจเอาลมเข้าไปดื่มน้ำนมดื่มน้ำเอาน้ำเข้าไปดื่มมาหาลับประทานอาหารเพื่อเอาธาตุดินเข้าไปแล้วเมื่อธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำไปผสมกันในร่างกายก็เกิดธาตุไฟขึ้นมา เกิดความร้อนขึ้นมาในร่างกายร่างกายของเรานี้จึงเป็นเพียงการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟส่วนใจนี้คือธาตุรู้นี้เป็นคนละสวนกันแต่เป็นผู้ที่มาเป็นเจ้านายของร่างกายดังที่เราเคยได้ยินว่ากายเป็นบ่าวใจเป็นนาย ใจเป็นนายกายเป็นบาปเพราะใจเป็นผู้สั่งการร่างกายนี้ไม่สามารถสั่งให้ใจทำนั่นทำนี่ได้แต่ใจนี้สามารถสั่งให้ร่างกายทำต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างวันนี้เรามาที่วัดนี้ได้ก็เพราะใจเป็นผู้สั่งมาใจเราคิดว่าวันนี้จะมาวัดรีบเป็นเป็นใจเป็นผู้คิดเมื่อใจคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกาย ตื่นขึ้นมาอาบน้ำอับท่าเตรียมข้าวของต่างๆแล้วก็ออกเดินทางมาที่วัดเป็นการสั่งของใจเมื่อใจสั่งแล้วเมื่อเจ้านายสั่งแล้วลูกน้องก็ทําตามลูกน้องก็พามาถึงวัดนี้ได้และขณะที่กำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ฟังร่างกายไม่รู้เรื่อง ร่างกายเพียงแต่มีหูไว้รับเสียงเพื่อให้ใจได้รับรู้ว่ากำลังพูดอะไรใจเป็นผู้รับรู้ใจจะฉลาดหรือจะโง่ก็อยู่ที่การได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องก็จะฉลาดถ้าได้รับรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใจก็โง่ คือหลงไม่เห็นไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงเช่นไม่มีใครสอนพวกเราตั้งแต่เกิดมาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราพวกเราก็เลยคิดกันว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเรานี่คือความโง่เรียกว่าโมหะความหลงความเห็นผิดเป็นชอบความงโง่นี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องทุกข์ทรมานใจ เพราะเมื่อเราไม่รู้ว่าความจริงของร่างกายเป็นอย่างไรเราไปได้ข้อมูลที่ผิดมาได้ข้อมูลที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วเราก็เกิดความอยากที่จะให้ร่างกายของเรานี้อยู่ไปนานๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปในที่สุดเพราะเราไม่คอยสอนใจเรา เวลาที่เราไม่สอนใจเราก็จะมีความหลงนี่คอยสอนใจเราให้คิดอยากอยู่ไปนานๆถึงแม้จะรู้ว่าจะต้องตายแต่ก็ไม่ยอมรับว่าจะต้องตายอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะไม่แก่อยากจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่สวนทางกับความอยากของเรา เวลาเราอยากจะไม่แก่แล้วเกิดความแก่ขึ้นมานี่เราก็วุ่นวายใจแล้วส่องส่องหน้าดูที่กระจกตายแล้วทำไมหนังมันถึงเหี่ยวตายแล้วทำไมผมมันเริ่มขาวนี่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตาย พอเวลาเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเ ป, เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นพอเห็นหนังหนังเหี่ยวย่นลงไปก็รู้สึกเฉยเฉยพอผมมันขาวก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ต้องวิ่งไปหาศัลยกรรมแพทย์มามาตกแต่งมาแก้ไขเพราะแก้อย่างไรก็แก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง ไปดึงหนังให้ตึงก็ดึงได้แค่สี่ห้าปีเดี๋ยวมันก็เหี่ยวอีกเอาผมไปย้อมเดี๋ยวมันก็ของใหม่มันโผล่ขึ้นมามันก็ขาวอีกถ้าไม่ถ้าไม่มีความรู้ความฉลาดที่จะรู้ว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้ก็จะหลงพยายามที่จะแก้แก้ไขมันอยู่เรื่อยๆยิ่งแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งวุ่นวายใจขึ้นไปทั้งนั้น เพราะแก้เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้เพราะมันมีแต่จะแก่ลงไปเรื่อยผมมันก็จะขาวลงไปเรื่อยเนื้อร่วงลงไปเรื่อยจนบางคนนี้ไม่มีผมหลงเหลืออยู่บนศีเสาก็จะทำย่างไรก็แก้ไม่ได้คนที่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใด แต่คนที่ไม่รู้ไม่เคยคิดไม่ยอมคิดพยายามปฏิเสธความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายอยู่เรื่อยๆพอจะต้องเจอความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเพราะใจไม่ต้องการใจเกิดความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมา พอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาในใจก็เป็นการจุดไฟเผาตัวเองเพราะความอยากเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจพวกเราทุกวันนี้ที่ทุกข์ทรมานใจไม่ใช่เพราะว่าร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายหรือว่าเรามีตกทุกข์ได้ยากมี การขาดแคลนสิ่งต่างๆทั้งหลายสิ่งเหล่า น, นี้ไม่สามารถทาให้ใจของเราทุกข์ได้ถ้าใจเราไม่ไม่ไปวุ่นวายกับเขาไม่ไปอยากกับเขาแต่ที่ใจของเราวุ่นวายทุกข์ทรมานเพราะเราไปอยากกับเขาเช่นเราอยากจะมีข้าวของมากมายกลายกองพอเราขาดแคลนเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถ้าเราเฉยๆกับเรื่องของข้าวของมีมากมีน้อยก็อยู่กันไปตามมีตามเกิดมีน้อยก็อยู่ได้มีมากก็อยู่ได้ถ้าไม่มีเลยอย่างมากก็แค่ตายแต่ใจจะไม่ทรมานใจจะไม่ทุกข์เพราะใจไม่ไปไ ป, ปฏิเสธไม่เลยไปมีความอยาก ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจรับได้กับทุกสภาพของชีวิตจะร่ำรวยก็รับได้จะยากจนก็รับได้จะอยู่กับคนที่เรารักก็รับได้จะจากคนที่เรารักไปก็รับได้คือรับได้กับทุกสภาพเพราะใจไม่ได้ไปมีความอยาก ี่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าใจไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ที่เรียกว่าอริยสัจสี่ทุกข์ความทุกข์ใจเกิดจากอะไรความทุกข์ใจเกิดจากความอยากต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากมีความสุข กับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้พอเกิดขึ้นมาในใจแล้วก็ทุกทรมานใจเช่นเราอยู่คนเดียวถ้าเราไม่ไปคิดอยากจะมีคู่ครองเราก็จะไม่เดือดร้อนอะไรเราก็จะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายแต่พอเราเกิดความอยากจะมีคู่ครองขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเหวเศร้าซ้ยหงอยเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องไปหาคู่ครองมาพอได้คู่ครองก็มีความอยากตามมาอีกอยากจะให้คู่ครองของเรารักเราไป น, นานๆไม่เบื่อเราอยากจะให้คู่ครองก็เราดีกับเราไปตลอดอยากจะให้เขาไม่เป็นอะไรแต่พอเขาเป็นอะไรไปขึ้นมาเกิดเขาเบื่อเราขึ้นมาเกิดเขาไม่ดีกับเราขึ้นมาเราก็ทุกข์ทรมานใจอีก เมื่อก่อนนี้อยู่คนเดียวไม่ต้องทุกข์ทรมานใจกับแฟนกับคู่ครองแต่เพราะว่าใจไปคิดอยากจะมีคู่ครองเพราะคิดว่าอยู่คนเดียวรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาไม่มีความสุขเพราะว่าไปคิดอยากจะมีแฟนนั่นเองถ้าไม่ได้คิดอยากจะมีแฟนก็จะไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาสมัยตอนที่เราเป็นเด็กๆเราไม่เคยคิดอยากจะมีแฟน เราก็อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเด็กนี้เขามีความสุขมากกับผู้ใหญ่เพราะเขาไม่ได้คิดอยากจะมีแฟนมีคู่ครองแต่พอโตขึ้นมาแล้วก็เกิดความอยากนี้ขึ้นมาอยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่ครองเราอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเมื่อก่อนนี้อยู่ได้ทำไมเป็นเด็กๆอยู่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็มีความสุข แต่พอโตขึ้นมาแล้วทีนี้เกิดความอยากนี้ขึ้นมาอยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่ครองก็เลยอยู่คนเดียวไม่ได้แต่หารู้ไหมว่าความอยากนี้เป็นผู้ที่จะพาให้ไปหาความทุกข์มากขึ้นไปตามลำดับเรื่อยๆเพราะเมื่ออยากได้อะไรแล้วก็อยากจะได้อะไรเพิ่มขึ้นไปอีกอยากมีพอมีแฟนแล้วก็อยากจะมีลูก พอไม่มีลูกก็ทุกข์เองแล้วก็ต้องไปหาวิธีต่างๆที่จะได้ลูกมาพอได้ลูกมาแล้วทีนี้ก็ต้องมาทุกข์กับลูกต้องมาคอยเลี้ยงดูลูกต้องมาคอยห่วงลูกต้องมาคุ้มใจกับลูกเวลาลูกทาตัวไม่ดีนี่เป็นการผักตัวเองเข้าหาความทุกข์ทุกเวลาทุกระดับ เพราะเราไม่รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากต่างๆนี่สมมุติว่าถ้าเรามาวัดอยู่บ่อยๆเรามาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเกิดความศรัทธาความเชื่อว่าความอยากต่างๆนี้เป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายพอเรามีความอยากเช่นเราอยู่คนเดียวเราอยากจะมีแฟนเราก็ พยายามดับความอยากนี้เสียพอความอยากนี้หายไปความทุกข์ก็จะหายไปความรู้สึกว้าเหวเศาสร้อยง่อยเหงาก็จะหายไปพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีดับความอยากนี้ทั้งสอนให้เราปฏิบัติทมให้เราทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วความรู้สึกเศร้าส้อยง่อยเหง า, ว, าว้าเหวก็จะหายไป หลพ่าพระพุทธเจ้าตัดสู้วิธีการดับทุกข์ด้วยรู้เหตุของทุกข์ด้วยและรู้วิธีการดับทุกข์ด้ว ย, ว, ยลลวิธีการดับทุกข์ ก, ก, ก็คือให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาให้ทําบุญให้ทานแทนที่จะเอาเงินนี้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเพื่อจะหาแฟนเพื่อจะได้หาแฟนได้ง่ายขึ้นก็อย่าไปทําไม่เสียเวลา เอางินนี้มาทำบุญให้ทานดีกว่าเพราะเวลาทำบุญให้ทานจะเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจจะทำให้ความอยากที่จะมีแฟนนี้เบาบางลงไปได้แล้วเราก็มารักษาศีลทาตัวเราให้เป็นคนดีเพราะการกระทำความดีจะทำให้ใจของเรามีความสุข ต่างกับเวลาที่เราทำบาปเราจะมีความทุกข์ใจแล้วก็ให้มาทำใจให้สงบอย่าไปคิดถึงเรื่องแฟนคิดไปแล้วจะทำให้เรานี้เศร้าซ้อยหงอยเหงาเวลาเห็นคนอื่นเขามีแฟนกันเราก็จะรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปเราคนเป็นคนด้อยเป็นคนอาภัพไป แต่ความจริงคนที่ไม่มีแฟนนี่แหละเป็นคนที่ไม่อาภัพคนที่มีแฟนต่างหากที่เป็นคนอาภัพเพราะจะต้องไปแบกความทุกข์กับแฟนนั่นเองไปแบกความทุกข์ของแฟนของคู่ครองถ้าไม่มีแฟนแล้วอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องของแฟนแฟนจะไปไหนมาไหนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความกังวลแฟนจะไปคุยกับใครก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่มีแฟนเราอยู่อย่างสบายแต่เราไม่รู้เพราะว่าเราถูกความโง่คือความหลงที่มันมีอยู่ในใจของเราคอยหลอกคอยสอนให้เราอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นการสร้างความทุกข์ตลอดเวลา โดยที่เราไม่รู้เลยแลวพอเกิดความอยากแล้วเราก็ต้องไปทำตามความอยากพอได้ทำตามความอยากก็จะมีความดีใจมีความสุขแต่เดี๋ยวเดียวก็หายไปแล้วก็จะมีความอยากอันใหม่ขึ้นมาแทนที่ต่อไปนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ว่าความทุกข์ของเรานี้อยู่ที่ใจ อยู่ที่ความโง่เขลาเบาปัญญาอยู่ที่เราไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกับที่เราต้องทุกกับร่างกายของเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายอันนี้จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่ได้ และไม่รู้ว่าเราจะต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเ ข, ข้าของต่างๆเราจะไม่อยู่กับเขาไปตลอดเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาจะเราจะต้องจากเขาไปสักวันหนึ่งหรือเขาจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งเวลาจากกันเรารู้สึกอย่างไรเรารู้สึก เสียใจเศร้าโศอะไรอารณ์ก็เพราะเราไปหลงรักเขาไปหลงยึดติดกับเขาแล้วก็ไปหลงอยากให้เขาอยู่กับเราไป น, นานๆอยู่กับเราไปตลอดนั่นเองแต่ถ้าเราได้รับความรู้ที่ถูกต้องที่เราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจบ็บต้องตาย ร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันของสามีของภรรยาของบุตรของทิดาของญาติสนิทมิสหายของพ่อของแม่ของปู่ย่าตายายเป็นสิ่งที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทั้งหมดไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายร่างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟใจผู้ที่มาครอบของนี้ ไม่ได้ตายไปจาบร่างกายแต่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อถ้ายังมีความอยากอยู่ถ้ายังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายยังอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ก็จะต้องไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่เวลาได้ร่างกายก็แล้วแต่บุญแต่กรรมว่าจะได้ร่างกายแบบไหน ถ้าเป็นผลของกรรมผลของบาปก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉานของนกของแมวของสุนัขเป็นต้นถ้าไม่ได้ทำบาปไว้ก็จะได้ร่างกายของมนุษย์นี่คือเรื่องของชีวิตของเราเรามีสองส่วนเรามีร่างกายและเรามีใจแต่ใจของเรานี้ มีความหลงมีความเห็นผิดเป็นชอบมีความโง่เขลาเบาปัญญาจึงสร้างความทุกข์ให้กับตัวของเราอยู่ตลอดเวลาด้วยความอยากต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาตัดความอยากกันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทรมานใจขอให้เรามาตัดความอยากกัน เวลาเราอยากจะได้อะไรก็อยากไปทําตามความอยากยกเว้นความอยากที่เป็นสิ่งที่จําเป็นถ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นนี้ไม่เรียกว่าเป็นเป็นสมุทยัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์เช่นเราต้องรับประทานอาหารอย่างนี้ต้องมีเสื้อผ้าใส่ต้องมีบ้านอยู่ต้องมียารักษาโรค เวลาที่เราต้องการสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นความจําเป็นไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเป็นความอยากถ้าเราหาสิ่งที่จําเป็นต่อการดํำรงชีพนี้ไม่จะไม่เกิดโทษทางจิตใจเกใจจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากเกินเกินความจําเป็นถึงจะเรียกว่าเป็นความทุกข์เช่นเราอยากมีเสื้อผ้า พ, พอแล้ว แต่เราเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามงานตามร้านค้าแล้วเกิดความอยากได้อย่างนี้ก็จะเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราอยากจะได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เราไม่มีความจำเป็นความอยากที่ไม่ใช่เป็นความจำเป็นนี้เราต้องระ ง, งับเราอย่าไปหามาเพราะมันไม่ทำให้เรามีความสุขแต่มันกลับจะเพิ่มความอยากให้มากขึ้น พอเราอยากได้อะไรแล้วเราได้มาดังใจแล้วความอยากนี้กลับไม่หมดไปแต่กลับจะมีเพิ่มมากขึ้นพอเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่กก็อยากจะได้อีกก็จะซื้อมาเรื่อยๆตราบใดที่เรามีเงินพอที่จะซื้อได้แต่ถ้าเวลาใดเราไม่มีเงินขาดเงินขาดทองขึ้นมาตอนนั้นเราก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจ เพราะเราเคยอยากได้อะไรเราก็ได้ดังใจแต่พอเราไม่มีเงินที่จะซื้อของที่เราอยากได้แล้วตอนนั้นเราก็จะทุกข์ทรมานใจดังนั้นจึงไม่มีใครอยากจะยากจนไม่มีใครอยากจะขาดเงินขาดทองทุกคนอยากจะมีเงินมีทองเพื่อที่จะเอามาตอบสนองความอยากต่างๆ แต่คนที่ไม่มีความอยากนี้จะไม่เดือดร้อนกับความยากจนเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ได้มีปัญหากับเรื่องเงินทองเลยเพราะใจของท่านไม่มีความอยากท่านไม่อยากได้อะไรเมื่อไม่อยากจะได้อะไรก็ไม่ต้องมีเงินทองอยู่แบบคนจนก็ไม่เดือดร้อนแต่อยู่แบบสบายใจมากกว่าอยู่แบบคนรวย คนรวยนี่มีแต่ความทุกข์ความกังวลใจอยู่ตลอดเวลามีสมบัติเข้าของเงินทองมากเขาหวงสมบัติห่วงสมบัติกังวลกลัวว่าสมบัติจะสูญหายไปจะไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยอยากจะไปเพราะกลัวว่าไปแล้วถ้าไม่มีใครเฝ้าสมบัติเดี๋ยวกลับมาสมบัติต่างๆก็จะหายไปอยู่อย่าง ไม่สบายใจเพราะสมบัติเป็นเหตุแต่คนที่ไม่มีสมบัติเขาก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะเขาไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียนั่นเองแม้แต่ร่างกายเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นของเขาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขารู้ความจริงนั่นเองพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาโรคนี้ ท่านรู้ความจริงท่านตัสรู้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวท่านรู้ว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ใช่ของท่านไม่อยู่กับท่านไปตลอดรู้ว่าญาติสนิทมิตรสหายคนนั้นคนนี้ที่รู้จักก็ไม่ใช่เป็นของท่านและไม่อยู่กับท่านไปตลอด รู้ว่าสักวันนึ่งจะต้องมีการพัดพราดจากกันอย่างพวกเรานี้อีกสักห้สปีจะอยู่ที่ไหนกันยังจะกลับมาเจอกันที่ตรงนี้ได้หรูป้ป่ะอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ถ้าร้อยปีนี้ก็คงจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยเพราะนี่เป็นความจริงของชีวิตของพวกเราร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราดังนั้นถ้าเรารู้เราก็จะไม่ไปยึดไปหวงไปติดเราก็จะเหมือนกับเราก็จะดูร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นของคนที่เราไม่รู้จักร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเวลาตายไปเรารู้สึกอะไรไหมเราไม่รู้สึกอะไรเลยเรารู้สึกเฉยเฉยเพราะเราไม่ได้ไปคิดว่าเป็น ตัวเรา <weakest> ของเราเป็นเพื่อนเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นสามีเป็นภรรยาของเราฉันใดถ้าร่างกายของคนที่เรารู้จักเราก็ต้องคิดอย่างนั้นเราก็ต้องคิดว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนที่เราไม่รู้จักเป็นเหมือนกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่มีใครที่จะไม่ไม่เหมือนร่างกายของคนเราทุกคนเป็นอย่างนี้นี่คือความรู้จริงเห็นจริง ที่เราจะต้องเอามาคอยสอนใจของเราสอนไปให้มันจำได้ถ้ามันจำได้แล้วมันจะไม่หลงจะไม่ยึดจะไม่ติดจะไม่กังวลจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของใครต็ตามดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราต้องคอยหมั่นสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆว่าเราไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่ใช่เรา เราเป็นใจเราเป็นผู้รู้เป็นผู้คิดเป็นผู้สั่งการเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเวลาร่างกายแก่เราก็ไม่ได้แก่ไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายให้คิดอย่างนี้สอนไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วต่อไปใจเราจะนิ่งใจเราจะเฉย ใจเราจะปล่อยวางนี่คือการมาสร้างความสุขให้แก่ใจด้วยการศึกษาความรู้ที่แท้จริงถ้าเรามีความรู้ที่แท้จริงแล้วเราจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจของเราด้วยความอยากต่างๆเมื่อไม่มีความทุกข์ในใจก็จะมีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรเมงสุขขังความสุขที่เกิดจากความสงบ นครับจากความอยากต่างๆนี้เองจึ่งขอให้ท่านจงให้ความสำคัญต่อการอบรมสั่งสอนจิตใจของท่านให้รู้ถึงความจริงที่แท้จริงว่าอะไรคือตัวท่านอะไรไม่ใช่ตัวท่านแล้วท่านจะได้ปฏิบัติให้ถูกตามความจริงแล้วก็จะดับความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไป ดับความทุกข์ต่างๆทั้งหลายให้หมดไปได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาจึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษามาบำเพ็ญมาปฏิบัติเพื่อสร้างความสุขและความเจริญให้แก่ใจให้ท่านได้นำเอาไปพินิษ์พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป